ก็ไม่แปลกอะไรนี่ครับคุณอัมพลเป็นคนของคุณหญิงเขาอ่านให้ประวัติของผมอย่างละเอียดเสียก่อนเพื่อให้พิจาราก็ได้ก่อนที่จะแนะนำให้จ้างผมทำไมเจ้าตัวไม่แสดงประวัติของตัวเองเลยละ่ะเพื่ออะไรกันเพื่อจะเอาเข้าแฟ้มประวัติของนายจ้างเนอะหรือนั่นไม่สำคัญหรอกเพราะถึงอย่างไรก็พิจารณาจ้างมาแล้วเลิกลมหรือเพิกถอนไม่ได้แต่ที่สาคัญก็คือคนเราจะร่วมทางกันต่อไปภายภาคหน้า ควรจะ ส, สุดจริตใจต่อกันไม่ควรมีสิ่งใดปกปิดอมพรางอยู่พรานใหญ่ยากไรผมไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกับหน้าที่รับจ้างตามสัญญาของผมอย่างไดเลยไม่เกี่ยวกับสัญญาจ้างตามเงื่อนไขแต่มันอาจเกี่ยวกันในด้านจิตใจก็ได้เราอาจพอใจปลอดโปร่งใจกว่านี้ถ้ารู้สึกว่าพรานนําทางของเราเป็นคนเปิดเผยสุดจริตไม่มีการอมเหลี่ยมอมพรางอะไรอยู่ จะให้ผมทำรายงานประวัติแล้วส่งมอบให้เมื่อไหร่ไม่จำเป็นสัมภาษณ์กันแค่ปากเปล่าเป็นการฆ่าเวลาก็ยังได้ถ้าคิดว่ามันไม่เป็นสิ่งที่จะต้องปกปิดก็ได้นี่แต่จะไม่ขอสาบานว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจจะแบบเกิดความต่อสารหรอกกี่ปีในเยอรมนี12แต่ขอภัยเดือนนะไม่ใช่ปี วิชาทหารเขาเรียนกันปีเดียวหรือนั่นมันครั้งล่าสุดแล้วก่อนหน้านั้นสามปีในแซนเฮิร์สสองปีในเวสต์ไบร์สามประเทศเลยนะอังกฤษอเมริกาแล้วก็เยอรม น, นีแต่แล้วก็กลับมาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนไทยค่ายแตกผลที่สุดดักสัตว์ขายพมลิกิตช่วยไม่ได้ ปัญญาชนทำไมถึงมาทำงานอย่างนี้มนุษย์ทุกคนในโรคนี้มีความเหมาะสมและพึงพอใจไปโดยเฉพาะรายไม่เหมือนกันฉันหมายถึงว่าวิชาวความรู้ที่เรียนมากับอาชีพในปัจจุบนันมันไปกันคนละเรื่องวิชาวความรู้ที่เรียนมามันถูกพับเก็บเสียแล้วเพราะเหตุการณ์ความจําเป็นไม่สามารถจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ส่วนอาชีพมันก็ต้องเป็นอาชีพอยู่วันยังค่ํา มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจความจัดเจนที่มีอยู่เป็นทุนเดิมประหลาดใจในข้อที่ว่าคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรคซีกเจริญแล้วจะไปหาความชํานานจากเรื่องป่าดงได้อย่างไรคุณหญิงเข้าใจผิดถนัดชีวิตส่วนใหญ่ของผมอยู่ในป่าอยู่มาตั้งแต่เล็กๆพื้นภูมิลำเนาของผมเป็นเช่นนั้นเมื่อจะเรียนหนังสือในเมืองก็เรียนไป เมื่อหยุดพักการเรียนผมกลับเข้าป่าหกปีในต่างประเทศเพียงแต่จากป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดไปเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อเทียบกับอดีตนับสิบปีผ่านมาสำหรับชีวิตพงไพรสาบเมืองไม่สามารถเกลืนสาบป่าของผมได้เอาละลูกจ้างให้สัมภาษณ์ในจ้างไปแล้วทีนี้ขอให้ลูกจ้างเป็นฝ่ายสัมภาษณ์ในจ้างดูบ้างโดยเฉพาะในจ้างสาวคนนี้ลองดูก็ได้นี่ มีใครรักแล้วหรื อ, อยังนับไม่ถ้วนทำไมไม่แต่งงานปล่อยชีวิตให้ร่วงเลยมาถึงขนาดนี้ผู้ชายที่ไหนจะกล้ามาแต่งงานกับผู้หญิงรวยมากเรียนมากหัวดื้อเอาแต่ใจแล้วมองเห็นผู้ชายทั้งโลกนอกจากพี่ชายไม่ผิดอะไรกับปริงอยู่ไม่สุขอย่างฉันเขากลัวจะปราบไม่อยู่ใช่ไหมหล่อนยิ้มเยียดเยียที่มุมปากในความมืดยักไหลนิดหนึ่ง ก็อาจจะใช่ถ้าหากสันดานของผู้ชายคิดอยู่ตลอดเวลาว่าผู้หญิงควรจะเป็นแต่เพียงวัตถุแห่งความใคร่คอยรองรับความปรารถนาของเขาและปฏิบัติตามคําสั่งตามต้องการของเขาประการเดียวอ๋อแล้วผู้ชายมีสันดานเช่นนั้นหรือฉันไม่ทราบแต่เท่าที่เห็นมาส่วนมากเป็นอย่างนั้นก็แล้วธรรมชาติไม่ได้สร้างผู้หญิงขึ้นมาเพื่อสิ่งที่ผู้ชายคิดอย่างคุณหญิงว่านั้นหรอกหรือ ก็ไม่แน่เสมอไปนะักก็เพ่าะสันดานผู้ชายมัวแต่คอยคิดโง่อยู่อย่างนี้นะสิจึงเป็นต้นเหตุชนิดหนึ่งทำให้ฉันกับคุณบังเกิดความไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกันทะเลาะกันมาตลอดเวลาระพีนโครงศีรษะแช่มช้าคุณหญิงเข้าใจผิดมากผมไม่ได้มีอะไรกับคุณหญิงเลยจนนิดเดียวคุณหญิงตหาห่าที่ไม่ชอบหน้าขมรผมมาตลอดเวลา บางทีสาเหตุอาจมาจากกรณีที่ผมมีเจตนาที่ดีกับคุณหญิงเกินไปก็ได้เว้นไว้แต่ว่าเจตนาดีของผมมันแสดงออกในรูปตรงไปตรงมาเป็นต้นว่าเมื่อคุณหญิงอยากจะมากับคณะค้นหาคุณชายอนุชาด้วยผมก็ทักท้วงห้ามปรามเพราะเห็นว่ามันไม่เหมาะควรด้วยประการทั้งปวงคุณหญิงก็พิจารณาในแง่อัคติเห็นว่าผมดูถูกดูหมิน่นหรือประมาทฝีมือรวมทั้งเรื่องอื่นๆอีกสารพัด ที่ผมขัดขวางไว้อันเนื่องมาจากเกรงอยู่ในด้านความปลอดภัยของตัวคุณหญิงเองทั้งสิ้นไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกไม่อยากฟังว่าแล้วหล่อนก็ปิดปากขาวเอนตัวลงนอนตามที่ที่ซึ่งเขาจัดไว้ให้แต่พอศรีรษะสัมผัสกับม้วนเสื้อแจ็คเก็ตของเขาที่วางไว้ให้แทนหมอนหล่อนก็คว้าขึ้นมาเหวี่ยงคืนไปให้เขาบอกหน้าตาเฉยว่าอา้าวเอาคืนไปเม็นสาบจะตายฉันเอาไว้นี่แทนหมอนก็ได้ พลางหลอนก็ลากเป้เครื่องหลังของหล่อนมาลองสีสาแทนนอนตะแคงเอามือกอดอกไว้และพินไม่กล่าวเช่นไรอีกรับเสื้อแจ็กเกตคืนมาโดยดีวางพาดไว้กับตักสงบนิ่งกันไปอึดใจใหญ่ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆมาจากความมืดพูดเรนหรอกนะไม่ใช่เหม็นสาบหรอกเสื้อของคุณนะ่ะแต่ฉันไม่เอาหนุนหัว เ, เพราะสงสารไม่อยากจะให้คุณนั่งสานเพราะไม่มีเสื้อจะใส่กลางดึกเช่นนี้ โดยสระเอามาเป็นที่หนุนหัวของฉันเสียฉันนอนคุณนั่งเฝ้ามันก็เป็นการเอาเปรียบกันอยู่มากแล้วเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบหรอกครับฉันหลับได้ไม่นี่เชิญตามสบายอย่างเมื่อเธอลืมตาขึ้นเมื่อใดคงเห็นคุณนั่งอยู่ที่นั่นทุกครั้งไปนะแน่นอนสงสัยอะไรหรือจะไปรู้หรือประเดี๋ยวแอบลงจากห้างหนีกลับแคมป์เสียตอนที่ฉันหลับ ทิ้งให้ฉันนอนอยู่บนนี้คนเดียวยิ่งไม่ค่อยจะชอบหน้าฉันอยู่ด้วยโท่กุดไนายขอให้ในายหญิงของผมหลับสบายที่สุดแม้พูดเป็นแง่ทรายเชียวนะฐานะของละพินก็ไม่ผิดอะไรกับแง่ทรายผิดกันคุณเป็นพา น, นำทางที่เราง้องอนว่าจ้างมาด้วยราคาสูงส่วนแง่ทรายขออาสาเข้ามาเป็นคนรับใช้ด้วยการวิงวอนให้เรารับไว แต่เราก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันบอกก o d ดไ g h t แล้วก็นอนเถอะครับอย่าพูดอะไรอีกเลยเอาแรงไว้พรุ่งนี้จะได้ไม่เปลียวเวลาเดินกลับแคมป์ออกคำสั่งอีกแล้วเลียดซะจริง mm. เสียงบน่นเสียงหาวอีกครั้งจากนั้นหม่อมราชวงหญิงดาลินวราลิ์ก็เงียบสนิทยิ่ยงดึกอากาศก็ยิ่งเท ว, วีความหนาวขึ้นทุกขณะเวลาผ่านไปสักเท่าใดไม่ทราบได้ รปินสดุ้งลืมตาขึ้นจาัด ก, การเคลมดาลินเป็นคนขย่าวแขนเขากายของ่อนสั่นสะท้านนั่นเสียงอะไรฉันนอนฟังมันมานานแล้วหล่อนกระซิบกระร่ำกระลักพานใหญ่เงี่ยหูเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากลมพัดกิ่งไม้ไหวยอยู่เบาบางและเขียดปาดที่ร้องเป็นจังหวะอยู่ในแอ่งน้ําเบื้องล่างผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทําไมหรือครับ คอยฟังให้ดีสิตอนนี้มันเงียบไปแล้วเสียงยังไงบอกไม่ถูกมันเป็นเสียงโหยหวนเหมือนคนครางด้วยความเจ็บปวดกําลังจะตายงั้นแหละฉันพยายามจะจับฟังมันตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงมาแล้วตั้งใจฟังจริงๆมันก็เงียบหายไปพอเคลิมจะหลับมันก็ดังแว่วมาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งตอนที่ฉันเรียกคุณนี้มันเพิ่งจะดังขึ้นเมื่อหยกหยกนี่เองแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้ว เสียงมันเยื่อเข้าไปถึงคู่หัวใจตาหลอนเป็นประกายโพงในความมืดเห็นถนัดพยายามจะหัวเราะออกมาสาบานให้ก็ได้บางขณะเสียงคล้ายๆจะมีคนร้องเรียกชื่อฉันนั่นแหละฉันฟังอยู่นานก่อนที่จะตัดสินใจเรียกคุณบางทีก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าห้างนี่มันเอียงตะแคงและตัวฉันก็พัดหล่นลงไปนั่นแหละไม่เอาละฉันไม่นอนแล้วฉันไม่อยากบอกคุณเลยแต่มันทนไม่ไหว พรานใหญ่จุ ป, ปากเบาๆมองดูหลอนด้วยความขบขันกึ่งสมเพศผมเตือนคุณหญิงแล้วยังไงครับว่าต้องควบคุมสติให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจเกิดขึ้นได้โดยอุปทานของเราเองทั้งนั้นไม่ใช่อุปทานฉันได้ยินเสียงปลาดพ่ลึกนั่นจริงๆหล่อนยืนยันเสียงเครือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ใช่คนขี้ขลาดหรือกลัวอะไรมาก่อนจนน่าจะคิดว่าเกิดขึ้นเพราะอุปทานหลอนตัวเอง ฉันเฝ้าจับเสียงของมันอยู่รับรองว่าได้ยินจริงๆเว้นไว้แต่จับไม่ชัดเท่านั้นว่ามันดังมาจากทางไหนคนไม่เคยนั่งห้างกลางป่าลึกมาก่อนเป็นอย่างคุณหญิงทุกคนแหละครับเขาตอบเบียบๆน้ำเสียงปลอบโยนที่คุณหญิงได้ยินอาจเป็นเสียงบางก็ได้มันชอบร้องดึกๆในดงลึกบางทีก็เข้าไปร้องอยู่ในโพรงไม้หรือเส้าหินเสียงของมันฟังพิรพิรุษนั่นเองแหละ ทำไมเวลานอนที่แคมป์ฉันไม่เคยได้ยินละ่ะนอนในแคมป์คุณหญิงอยู่ในเต็นท์ที่นอนสบายและหลับไปอย่างไม่มีกังวลอะไรก็เลยไม่ได้ยินแต่นอนบนห้างนี่คุณหญิงอาจคอยสดับฟังเสียงอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะความคอยระวังตัวก็ได้ดารินเม้มริมฝีปากถอนใจเฮือกทำไมเสียงมันถึงวิกลวิการอย่างนั้นก็ไม่รู้เสียงที่ฉันได้ยินไม่ใช่เสียงโหยหวนเหมือนคนครางอย่างเดียวเท่านั้น บางทีมันก็มีเสียงพึมพามเหมือนคนพูดกันอยู่ใต้ห้างเรานี้เองตื่นขึ้นมาสองไฟก็มองไม่เห็นอะไรตอนนั้นคุณคงม้อยหลับไปเพราะฉันเห็นคุณนั่งหลับตานิ่งตอนที่ฉันฉายไฟบางทีก็มีเสียงคล้ายคนกู่บางทีก็ร้องโวยโวิ ย, วยแววมาแต่ไกลไม่ใช่ฝันไม่ใช่อุปทานคนอย่างฉันจะแยกไม่ออกทีเดียวหรือว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นอุปัาน อา้าวถ้างั้นเรามาลองฟังกันให้ชัดทีเลยพรานใหญ่ว่ายิ้มยิ้มจุดบุหรี่ขึ้นสองตัวอีกตัวหนึ่งส่งไปให้หญิงสาวหล่อนรับไปอัดควันหนักหน่วงหลายนาทีต่อมาไม่มีเสียงใดๆปรากฏขึ้นให้สําเนียกได้ชัดเลยนอกจากลมพัดกิ่งไม้ได้จั ก, กรจันเละไรขณะนั้นพระจันทร์บ่ายคล้อยไปทางยอดเขาทรรมมืนด้านตะวันตกทุกสิ่งทุกอย่างภายในรัศมีเดือนที่ฉาบใช้ลงมาถึง ปรากฏเป็นเงาตะคุ่มคุมเกลืออยู่ทั่วไปนอนเสเถิดครับสงบจิตใจให้เป็นปกติถึงอย่างไรรพินภัยวันก็อยู่ที่นี่ในที่สุดเขาก็บอกอ่อนโยนปนหัวเราะปลอบใจหลอนยิ้มออกมาเจียนเจือนอืมแปลกนะเวลาคุณตื่นรู้สึกตัวนั่งอยู่กับชั้นช่นนี้มันก็ไม่เกิดเสียงอะไรขึ้นเลยสักนิดเอาละฉันจะพยายามคิดว่ามันเป็นอุปทาน จะลองนอนดูอีกครั้งดารินเอนตัวลงนอนอีกพอพรานใหญ่เริ่มจะเคลิมเขาก็ถูกขยาวปลุกโดยแรงอีกครั้งดารินวราลิศไม่ได้นอนหากแต่นั่งหน้าขาวโพลนอยู่ตรงหน้าเขาในมือถือไรเฟิลอะไรอีกล่ะครับได้ยินเสียงสัตว์เข้าหรือเขาก็ซิบถามหล่อนไม่ตอบกายสั่นเทิมเบิกตาโพลงอยู่เช่นนั้นเขาเอื้อมมือมาจับต้นแขนทั้งสองของหล่อนไว้ บีบกระชับแน่นก้มลงไปจ้องหน้าถามต่อมาโดยเร็วเห็นหรือได้ยินอะไรอีกบอกสิเต็มป่าไปหมดไม่รู้ตัวอะไรต่ออะไรเสียงของหลอนเหมือนคนสำลักน้ำห้อยหัวอยู่บนยอดตะค้อเหนือห้างเรานี่ก็มีเหมือนเงาหนังตะุงฉันจะยิงมันด้วยไรเฟิลนี่แต่เหนี่ยวไกลไม่ออกระพินถอนหายใจเฮือกรู้สึกสงสารหลอนยังบอกไม่ถูก คว้าฝีฉายขึ้นมาเปิดสวิตสองกาดไปทั่วทั้งสูงและต่ำตลอดทุกยอดไม้และสมถุ่มพุ่มพฤกษ์เห็นไหมครับไม่มีอะไรสักอย่างประสาทของคุณหญิงทำพิษเอาอิสีแล้วผมไม่ได้หลับเลยเพียงแต่เคลิมๆไปเท่านั้นอยู่ไม่อยู่ก็เห็นคุณหญิงลุกพูดพลาดขึ้นมาเขย่าผมก็แล้วดูนี่สิปืนฉันทั้งที่ปลดเซฟเรียบร้อยแล้วแต่ฉันเหนียวไกไม่รั่น ไว้ตัวใหญ่มาหึมามันห้อยหัวอยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวเราแล้วทำท่าเหมือนจะเอื้อมมือลงมาที่ฉันพอฉันปลุกคุณมันก็หายไปพรานใหญ่หน้าขึ้นลงในบัตรนั้นเริ่มเต็มไปด้วยความกังวลนายจ้างสาวของเขาตกอยู่ในภาวะของประสาทที่ร้อนตัวเองเสียแล้วอีกนานกว่าจะสว่างและระยะเวลาระหว่างนี้เขาจะทำอย่างไรดีมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสำหรับคนจิตใจเข้มแข็งประสาทและสติมั่นคง อย่างแพทย์หญิงดารินวราลิตอาถานของป่าเล่นงานหล่อนเข้าให้เสียแล้วหรือยังไงคุณหญิงรู้สึกตัวว่าไม่สบายหรือเปล่าหล่อนสั่นศีษะเปล่าเลยฉันสบายดีทุกอย่างเพียงแต่หนาวผิดปกติไปบ้างเท่านั้นที่นี่มันเย็นกว่าที่แคมมากหลับหรือเปล่าเคริมเคริมไม่ถึงกับหลับหรอกแล้วพินล้วงมือเข้าไปในเป้หลังของหล่อนเอง หยิบขวดบรันดีออกมาส่งให้หญิงสาวบอกให้ดื่มเสียหล่อนรับมาเทใส่ปากอึกใหญ่หายใจหอบหอบมือทั้งสองประสานกันแน่นอยู่ที่ซวงอกพรานใหญ่หยิบไบเฟิร์นที่วางอยู่บนตักของหล่อนขึ้นมาแล้วกระชากลูกเลื่อนปลอกกระสุนที่ยิงแล้วและค้างคายอยู่ในลากล้องกระเด็นออกมาขอส่อประฉายให้ดูคุณหญิงจะยิงปืนกระ บ, บอกนี้ออกได้ยังไงในเมื่อคุณหญิงยิงกระทิงตัวนั้นซ้าเป็นนัดที่สองแล้ว ก็ไม่ได้สะดัดปลอกที่ค้างอยู่ออกปล่อยคาลังเพลิงอยู่นั่นเองตอนที่ยิงกระทิงได้คุณหญิงตื่นเต้นดีใจจนเกินไปลืมเอาปลอกกระสุนเก่าออกพอเจ้าสิ่งที่มันหลอนประสาทตาปรากฏให้เห็นคุณหญิงก็ยิงพอยิงไม่ออกเพราะปืนไม่ได้ขึ้นลำไม่ได้เอากระสุนขึ้นลังเพลิงคุณหญิงเลยยิ่งขวัญเสียไปใหญ่แต่ฉันเห็นตาฝาดเสียงของเขาเกือบจะเป็นตะหวาด เขย่าต้นแขนหล่อนโดยแรงปลุกความรู้สึกนี่น่ะเหรอคนเก่งนี่น่ะเหรอคนไม่เคยกลัวอะไรเลยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าป่ามันไม่ใช่เมืองอวดดีนักดีไม่ดีประเดี๋ยวเกิดกระโดดลงไปจากห้างหรือมองเห็นผมเป็นอะไรเอาปืนยิงเข้าให้เสียเท่านั้นห้ามแล้วว่าอย่ามาอย่ามาหล่อนเงียบกริบนั่งกัดริมฝีปากแน่นไม่ได้ปิดปากโต้อตอบคําใดแม้แต่คําเดียวสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ มันเป็นลักษณะอันน่าเวทนาครั้งแรกที่พระพินมองเห็นจากหม่อมราชวงศ์หญิงผู้นี้คำพูดแรงๆของเขาต้องการจะยั่วให้รอนโกรธทำให้บรดาโทสะเพื่อที่จะขจัดความหวาดกลัวพร่านพึงในขณะนี้ออกไปเสียด้วยอำนาจทิฏิถือดีตามนิสัยของรอนแต่ยามนี้มันปราศจากผลอำนาจความวันไหวมันเข้ามามี อ, อิทธิพลครอบงาอยู่นึกกว่าความรู้สึกอื่นใด จนทำให้ร่อนไม่อาจเอ่ยคําใดออกมาได้นอกจากนั่งตัวสั่นเทาเชื่อผมเถอะอุปทานทั้งนั้นประสาทมันหลอนตัวเราเองคุณหญิงเป็นหมอน่าจะรู้อยู่ดีแล้วว่าจิตประสาทของคนเรามีอิทธิพลเช่านใดบ้างเรื่องปืนของคุณหญิงที่ว่ายิงไม่ออกนั่นก็เหมือนกันผมก็พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่ามันเพราะคุณหญิงไม่สนัดปอกเก่าทิ้งตะหาก เสียงของเขาอ่อนรงหล่อนยกมือขึ้นรูปใบหน้าทั้งที่หนาวเย็นจับใจแต่เหงื่อซึมไปหมดทั้งตัวคลางออกมาแหบๆฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะแปลกเหลือเกินมันลึกลับทุกครั้งที่ฉันปลุกคุณสิ่งต่างๆอันน่ากลัวพิสูจน์ไม่ได้เหล่านั้นก็หายไปแต่พอคุณหลับฉันตื่นอยู่คนเดียวมันก็มาให้เห็นให้ได้ยินอีกฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไร ฉันเป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนไม่เคยเลื่อมสายเชื่อถือในสิ่งที่ค้านกับวิทยาศาสตร์แต่แล้วทําไมฉันกลายเป็นคนหวั่นไหวไปถึงเพียงนี้ก็ไม่รู้ทุกครั้งที่ฉันเคล้มเคล้มจะหลับมองเห็นแต่ภาพที่น่ากลัวทั้งนั้นมันเดินกันอยู่ข้างล่างแต่มันพยายามที่จะไต่ห้างของเราขึ้นมามันจ้องมองดูฉันมันร้องเรียกฉันฉันคิดว่าฉันสติดีที่สุดแล้วที่ไม่เป็นบ้าวิ่งกระโจนลงไปจากห้าง เพียงแต่ปลุกคุณขึ้นมาเท่านั้นไหนบอกไม้ชัดๆหน่อยสิคุณหญิงเห็นอะไรหล่อนดื่มบรันดีอีกครั้งบางครั้งเป็นเสือบางทีก็ช้างที่น่าขนลุกที่สุดก็คืออะไรก็ไม่รู้มีรูปร่างลักษณะของมันไม่เจริญตาเลยห้อยโหนโยนตัวอยู่ตามกิ่งไม้บนร่างสูงกว่าห้างนี่เสียอีกบางทีก็เห็นนายเอินที่ถูกไอ้กุดลากเอาไปกิน มายืนร้องควรวญครางเรียกให้ฉันชั่วยอยู่ใต้ห้างบางทีก็เห็นศพแหลกเหลวหน้าทุเรศของลูกหาบที่ถูกไอ้แหว่งขยี้ภาพต่างๆเหล่านี้มันหลอกหลอนทรมานฉันเหลือเกินฉันพยายามเรียกชื่อตัวฉันเองอยู่เสมอพยายามขยี้ตามันพิสูจน์ชัดว่าฉันไม่ได้ฝันหรือว่าเลอะเทอะไร้สติไปไอสิ่งบ้าๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันขอโทษด้วยนะถ้าถ้าฉันทําให้คุณอารมณ์ไม่ดี ฉันไม่นอนอีกแล้วจะนั่งอย่างนี้แหละแล้วจะลองพิสูจน์ด้วยกระสุนปืนดูถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นอีกดาลินกระชากลูกเรือนส่งกระสุนนัดใหม่ขึ้นรังเพลงนั่งกอดปืนไว้แล้วปินเอื้อมมาคว้าปืนจากมือของหล่อนไปอย่างอ่อนโยนอย่าถือปืนเลยครับมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกสําหรับภาวะจิตฟุ้งซ่านของคุณหญิงในขณะ น, นี้บอกแล้วยังไงว่าประเดี๋ยวคุณหญิงก็ยิงผมเข้าเองโดยเห็นเป็นอะไรไป ผมจะทำให้คุณหญิงหลับสบายโดยไม่มีอะไรมารบกวนความรู้สึกนึกคิดอีกก็ได้แต่มันอยู่ที่ว่าคุณหญิงจะปฏิบัติตามผมได้หรือเปล่าคุณจะให้ฉันทำยังไงอย่าคิดว่าคุณหญิงคือแพทย์หญิงนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เจริญแล้วในโลกของอริยธรรมแต่ลองลดตัวเองคิดเสียว่าเมื่อเราอยู่ในป่าเราก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างเช่นที่ชาวป่าเขากระทํากัน มันจะดูเหลวไหลหน้าหัวเราะซักขนาดไหนเราให้เก็บไปพิจารณาเอาเมื่อกลับไปถึงเมืองแล้วจะทำได้ไหมฉันจะลองดูเอาละก่อนอื่นขอสมาต้นไม้ที่เราอาศัยปลูกข้างนี่เสียฉันไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยจะให้ทำยังไงล่ะหล่อนพูดอ่อยๆ อ, อ, อย่างน่าสงสารเ ข, ขารบคารวะต่อเข้าเสียคุณหญิงเคยอ่อนน้อมต่อใครหรือเปล่า หรือไม่เคยเลยดาลินเปลี่ยนท่านั่งมาเป็นพับเพียบพนมมือไหว้ต่อลำต้นอันต่างานเงื้อของต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกข้างคล่อมอยู่เสียงกระซิบของรพินบอกต่อมาแล้วว่าตามผมถ้าคิดว่าจะพอกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ออกมาได้โดยบริสุทธิ์ใจปราศจากชั้นทาคติบอกฉันส่ฉันพร้อมแล้วศักดิ์สิทธิ์นางไม้ หล่อนพูดตามการกล่าวนำของเขาทีรับประโยคอย่างเด็กว่าง่ายกามาไมหังคุ้มครองค่าบ้างสัพพะพังสัพพะพินโยเมื่อหล่อนกล่าวตามจบลงเขาก็บอกให้กาบลงกับพื้นห้างแล้วตบเบาๆที่แผ่นหลังของหล่อนพยักหน้าบอกว่านอนเถิดครับคุณหญิงจะหลับสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนห้างนี้ หญิงสาวถอนใจยาวเอ็นกายลงนอนอีกครั้งในใจของหล่อนนึกถ้อยคำที่รพินสอนให้เมื่อครู่นี้กลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นพักใหญ่หลังจากนั้นได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วอ่อนได้ระดับสม่ำเสมอของหญิงสาวแสดงว่าหลับสนิทเขาเอื้อมไปแตะเบาๆที่ไรหล่อนไม่รู้สึกตัวด้วยความอ่อนเพลียและพินผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกฟ้าสาง แล้พินเป็นผู้ปลุกนายจ้างสาวของเขาขึ้นทันทีที่ตื่นลุกขึ้นนั่งหญิงสาวจ้องมองไปรอบกายทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนหันไปมองดูต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกห้างและกลับมาจ้องหน้าพรานใหญ่สีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตื่นงงงอุทานออกมาทาถาสมานางไม้ของคุณวิเศษหรือเกินแตกอะไรอย่างนี้ฉันหลับเป็นตายเลยหลังจากนั้นจนกระทั่งคุณต้องปลูก ไม่ใช่คาถาศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกผมหลอกให้คุณหญิงไหว้ต้นไม้แล้วก็ท่องอะไรง่วนไปอย่างนั้นเองแหละจะได้ไม่นอนคิดสร้างภาพตาฝาดหูฝาดอยู่เป็นจิตวิทยายกล้วยๆที่เปลี่ยนความพวงคุค้นคิดในด้านร้ายจนไปเห็นให้เกิดอุปทานของคุณหญิงเสียพรานใหญ่พูดน้ำเสียงเรื่อยๆสีหน้าปกติดาดินขมวดคิ้วจ้องเขาอย่างฉงนชงายคลางแคลงใจพยายามที่จะค้นหาความจริงบนใบหน้านั้น แต่ก็ไม่พบอะไรให้สังเกตได้เลยหลอนบังเกิดความมหัศจรรย์ใจงูลงงยอย่างบอกไม่ถูกแปลกใจที่มองเห็นภาพและได้ยินเสียงอะไรไปต่างๆนานาจนแทบจะเสียสติเมื่อคืนนี้และก็แปลกใจพอๆกันที่เมื่อภายหลังจากที่เขาให้หลอนไหว้สมาต้นไม้พร้อมทั้งท่องคำตามที่เขาบอกให้กันแล้วนั้นหลอนก็นอนหลับไปได้อย่างสบายโดยไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรให้เป็นที่รบกวนหวาดสยองอีก สิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่มนลีรับมืดมนหน้าพิสวงหรือประมาณเกินกว่าที่หล่อนจะเชื่อได้มาก่อนระหว่างที่หญิงสาวนั่งกับพิบตาทีๆเขาก็ขยับตัวลุกขึ้นพร้อมกับบอกมาว่าเราลงจัดห้างกันเถอะอีกสักประเดี๋ยคุณชายเชี่ยากับบุญคําก็คงจะมาถึงไปรอกันข้างล่างดีกว่าอยู่บนนี้มาทั้งคืนแล้วกล่าวจบ เขาก็เก็บข้าวของบนห้างบรรจุใส่เป้หลังแล้วไต่นําลงไปก่อนคอยช่อยเหลือดารินในขณะที่รอนตายตามลงไปไม่กี่อึดใจทั้งสองก็ลงมาเหยียบแผ่นดินใต้ห้างอีกครั้งภายหลังจากขึ้นไปแกลวหลังโคตรหลังแข็งอยู่บนนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเต็มหมอกป่ายังปกคลุมอยู่ทั่วไปมองเห็นภูมิประเทศได้ไม่เกิน30เมตรน้ําค้างเกาะซุ่มไปทั้งกิ่งไม้ใบพฤกและโขดหิน ข้าวหน้าของหญิงสาวยังอยู่ในอาการงงๆอยู่เช่นเดิมขณะที่ลงมายืนอยู่กับพื้นดินและกลาดสายตาไปรอบด้านหล่อนอยากจะคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลอนเมื่อคืนนี้เป็นภาพของความฝันมากกว่าแต่ก็ไม่อาจคิดเช่นนั้นได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจําได้อย่างแม่นยําชนิดติดหูติดตาทันทีที่ลงมาถึงพื้นเรียบร้อยผ่านใหญ่กองสัมภาระสิ่งของติดตัวรวมไว้ที่โคนไม้ช่วยแต่ปืน เดินตรงเข้าไปที่พงทึบบนเนินอันเป็นตำแหน่งที่กระทิงถูกยิงล้มอยู่ที่นั่นโดยเร็วดาลินเดินตามเข้าไปโดยไม่รู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นอะไรนะักผิดกับในขณะที่เห็นมันถูกยิงคว่ำเ ม, มื่อคืนเพราะมัวแต่ขุนคิดพวักพวงถึงเหตุการณ์ชวนสยองขวัญของหลอนที่เป็นปมรบกวนมโนคติอยู่กระทิงโทนตัวที่ตกเป็นเหยื่อกระสุนของหลอนตัวนั้น มีขนาดใหญ่ชะกันเต็มที่เห็นถนัดในท่ามกลางแสงสว่างสรัวสลวของเช้ามืดเช่นนี้ดูราวกับภูเขาเหลากาข้อเท้าทั้งสีและสันหน้าผ่าสีขาวข้นตัดกับลาตัวส่วนอื่นๆทั้งหมดที่เป็นสีหม่นไม่เป็นมันระยับเกือบจะดูเป็นสีดําพ่วงปีกํายำสูงใหญ่กับวัวแดงเกือบเท่าตัวกระสุนนัดแรกเจาะทะลุการขอส่วนบนพลาดจากกระดูกคอไป็เล็กน้อย แต่นัดหลังเป็นกระสุนสั่งเพราะตัดกระดูกสันหลังบริเวณตามกว่าหนอกคอลงไปเล็กน้อยเลือดซึ่งบตดนี้เป็นสีคร้ำกองนอนอยู่กับพื้นใบไม้แห้งและพุ่มไม้ราวกับไข่เอาเยลลี่เหล ว, วใส่ถังมาเทไว้มแมลงวันบินตอมหึง่งและเริ่มหยอดไข่ขังทั้งทั้งที่เป็นเวลาเช้าหมอกยังไม่ทันจางและพินเงยหน้าขึ้นจากซากกระทิงก็คงเห็นเห็นคนยิงขณะนี้ กำลังยืนสูบบุหรีท่ทอดสายตามองดูมันอย่างไม่ยินดียินร้ายใบหน้านั้นดูขาวซีซึมสงบผิดไปคุณหญิงมีทางจะเป็นนักราศาสตร์มือเยี่ยมต่อไปในอนาคตถ้าหากสนใจจริงจังอยู่ในเรื่องชนิดนี้จอมพลานพูดยิ้มยิ้มแต่เจ้าตัวเองสายศรีรษะแช่มช้าเห็นจะไม่มีทางหรอกเดี๋ยวนี้ฉันพอจะรู้แล้วว่า มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่ฉันจะต้องศึกษาเรียนรู้มันไม่ใช่สิ่งที่จะทํากันได้ง่ายๆเลยถูกตามที่คุณเคยพูดไว้ฝีมือยิงปืนแม่นยําแต่ประการเดียวหาได้ทําให้ผู้นั้นเป็นนักล่าหรือพรานที่ดีไปได้ถ้าเขาไม่รู้จักเรื่องของป่าและสัตว์ได้ดีพอที่ฉันยิงมันได้ก็เพราะมีคุณเป็นพี่เลี้ยงลําพังคนเดียวก็เห็นจะหมดหวังฉันเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นนักล่าสัตว์ไม่ว่าจะจริงหรือสมัครเล่น แต่นเนื่องมาจากโอกาสที่ฉันร่วมเดินทางมาด้วยครั้งนี้ก็อยากจะทดลองในสิ่งที่ตื่นเต้นดูบ้างเท่านั้นแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็หัวเราะออกมาฝืนๆกล่าวต่ำๆ ต, ต, ต, ต่อมาว่าฉันจะบอกคุณตามตรงปืนตั้งแต่ขนาดจุด3 7หขึ้นไปเป็นปืนที่ฉันต้องกลั้นใจยิงแรงสะท้อนถอยหลังของมันเกินกาลังฉันไปมากเต็มกืนทีเดียวทุกครั้งที่ลั่นไกออกไปรู้สึกเหมือนไหลจะหลุด สะบักระบมไปหลายวันทีเดียวนี่ดูเหมือนจะเป็นคําพูดที่เปิดเผยเป็นกันเองออกมาจากใจจริงครั้งแรกที่เขาได้ยินจากดารินวราลิศแต่ผมก็เห็นคุณหญิงยิงได้ดีไม่หนำซ้ํายังแม่นยําอยู่เหมือนเดิมก็ขอบอกตามตรงเหมือนกันว่าอดแปลกใจไม่ได้ที่เห็นคุณหญิงสามารถยิงปืนขนาดนี้ได้ดีเยี่ยมอย่าว่าแต่คุณหญิงเลยต่อให้ชายชะกันน้ําหนักตัวเจิกิโลกรัมขึ้นไป ถ้าไม่คุ้นเคยกับปืนขนาดนี้มาจนเชื่องพอสมควรแล้วผมเห็นหน้าเบ้ไปทุกคนบางคนหงายหลังทั้งยืนเลยพอเหนี่ยวไกลตูมออกไปผมเคยเห็นผู้หญิงยิงปืนขนาดจุดสามเจห้ามาก่อนเหมือนกันแต่เป็นการยิงเพียงแค่ให้กระสุนระเบิดผ่านลำกล้องออกไปเท่านั้นการถูกเป้าหมายไม่ต้องคำนึงแต่สำหรับคุณหญิงไม่เพียงแต่ยิงได้สบายๆเท่านั้นยังสั่งได้อีกด้วยข้อนี้ผมยอมรับนับถือ แต่คุณก็ต้องรู้ว่าฉันกัดฟันยิงแล้วก็นึกหัวร้ออยู่ในใจซึ่งคงจะหัวราอบไปหมดทุกอย่างอันเกี่ยวกับตัวฉันนับตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักทีเดียวเมื่อไหร่จะเลิกคิดว่าผมเป็นอริกับคุณหญิงเสียทีพ่านใหญ่โครงหัวมองดูรอนอย่างขันขันแล้วก็ตัดบทมาว่ามานั่งพักทางนี้เถิดครับผมจะต้มกาแฟให้ในระหว่างที่เรารอคุณชายกับบุญคาที่จะย้อนกลับมาสมทบ เขานำหล่อนเดินกลับมาที่ต้นไม้ใต้ห้างจัดการก่อไฟขึ้นต้มกาแฟโดยอาศัยหม้อสนามที่ติดเป้หลังมาด้วยตลอดเวลาหล่อนนั่งมองดูเขาเงียบเงียบเพิ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตป่าของเขาเต็มไปด้วยความสันทัศน์จัดเจนเพียงไรเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นจากส่วนประกอบของไพรเถื่อนรอบด้านกลายมาเป็นกองไฟสําหรับหุงต้มอย่างรัดกุมหม้อสนามไม่ได้ตั้งอยู่บนหินสามเศร้า เหมือนอย่างกองไฟที่รอนเคยเห็นพวกลูกหาบก่อนในแคมป์หากแต่แขวนติดอยู่กับกิ่งไม้ที่ปักเอ็งอย่างมีศินโดยมีเปลวไฟรนอยู่เบื้องล่างน้ําในหม้อกําลังจะเดือดทีแรกรอนคิดว่าเขาจะเก่งก็แต่เพียงชํานาญทางและชํานาญอยู่ในการร่าเท่านั้นแต่เมื่อไม่มีลูกหาบที่จะใช้และเขาต้องทําหน้าที่เองหมดทุกอย่างเช่นนี้พรานใหญ่กับคล่องแคล่วชํานาญเสียกว่าพวกลูกหาบเสียอีก ดารินจ้องมองที่ภาพนั้นแล้วหันไปจ้องที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งห้างปลูกคร่อมอยู่หล่อนเริ่มคิดถึงความมหัศจรรย์เร้นรับที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อคืนนี้อีก พ, พึมพำท่องถ้อยคําที่เขาสอนให้เมื่อคืนนี้ช้าๆหล่อนจำได้อย่างแม่นยำจะเป็นการหลอกหรือช่วยเหลือกันในทางด้านจิตวิทยาอย่างที่เขาบอกในตอนเช้านี้อะไรก็ตามทีเถิดมันน่าประหลาดใจในข้อที่ว่า เมื่อหล่อนได้ปฏิบัติตามที่เขาแนะแล้วก็สงบจิตหลับรงได้แทนที่จะสะดุ้งผวามองเห็นหรือได้ยินสิ่งที่น่าขนพองสยองก้าวอีกต่อไปเมื่อคืนนี้ฉันฝันร้ายไปหรือเปล่านะหล่อนเอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนจะรำพึง